อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ3 9มร้อกษุจน์ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์พิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์สองพิสูจน์จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ภิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์3าพิกษุวิกลจริต4ีพิกษุต้นบัญญัติปฐมทุตทะโทสะสิกขาบทที่8จบ